บทที่แปดสิบสี่เจรอชเจ้รชอดีตการสี่บุตรกบอ่านวัรวัชร ดิฉันอ่านแล้วมีวัตถุมีวัตถุดิฉันอ่านหนังสือนิยายทั้งเรื่องแล้วมีพูรณาดัมบรีวัตถุมีปูรณาดัมบรีวัตถุเข้าใจาสมมติหนึ่งดิฉันเข้าใจาแล้ว มี स म ज ल ो मी มี झ ल ेตि श न ่ฉันเข้าใจข้อความทั้งหมดแล้วมี प ุ र ् ण प ा ठ समजलो ติ प ูมีปุรณะพาร์ตเลตอบ उ ำตอบเดินเองคตอบเดตฉันตอบแล้วมี उत्तरदिले มีอุตตรเดลีดิฉันตอบคาถามทั้งหมดแล้วมีส्กกี่คำถามจีอุตตรีเดลีมีสักกี่คำถามจีอ त ตตรีเดลีดิฉันทราบแล้วดิฉันได้ทราบแล้ว मलाते माहित आहे मलाते माहित होते मलाते माहित आहे m a ล a t e m a มา t ิทโฮเต๋อดิฉันเขียนดิฉันได้เขียนแล้วมีเต๋อเหลือหิโต้เอลือหิเล่มีเต๋ลิเหลิเลดิฉันได้ยินดิฉันเคยได้ยินแล้วมีเต๋อไอโตมีเตอไอเล มีเตอิเกเตมีเตอิเกดิฉันกำลังไปรับดิฉันได้ไปรับแล้วมีเตเมลอนาร์มีเตเมลเลมีเตเมลอนาร์มีเตเมลเลดิฉันกำลังนำมาดิฉันได้นามาแล้วมีเตอันนา มีเทอันเลมีทอันมีเอเลดิฉันซื้อดิฉันได้ซื้อแล้วมีเทขว redekar र a มีขว r e d e े e l e มีเทขว r e d e k a มีขว r e d e k e ดิฉันคาดไว้ว่า ดิฉันได้คาดไว้แล้วว่ามีเตอเปกชิตุมีเตอเปกชิเลหเตมีเตอเปกชิเตมีเตอเกชิเลหเตดิฉันอธิบายดิฉันได้อธิบายแล้วมีสปชตกรุนสังตุมีเตสปชตกรุนสัง ग ิ त, ग त ल े मी स ् प ष ् ट क र ू न संगते ा मी ते स ् प ष ् ट क र ू न संगितले ा दिशान रू दिशान रू ल ा मलाते माहित आहे मलाते माहित होते मलाते माहित आहे मलाते माहित होते